สำหรับวันนี้ก็มาฟังการตอบจดหมายภายในประเทศคือจดหมายที่มีทั้งนอกประเทศและในประเทศความจริงการตอบจดหมายอาจจะมาทำไม่ได้มาเป็นปีๆนะหนังสือจดหมายก็ไม่ได้ต้องพระทำแทนได้ได่ดออกโมทนาทั้งนี้เพราะว่ามันป่วยมาถึงมากป่วยจะป่วยจักเวลานี้เขียนหนังสือก็ไม่ไหวเลยต้องใช้เทศแทนแล้วก็นอนพูด วันนี้ก็เป็นการตอบจดหมายสามท่านเดียนกันคือว่าท่านพระวาสุกรีนะท่านพระวาสุกรีนี่อยู่วัดเนรมิตรบ้านนนท์สวรรค์ท่านเขียนมาบอกกรุณาติดต่อได้ที่พระวาสุกรีสุทานาโคลานฉันทนิมิตรเจ็ดศูนย์ทับสามขีดสี่หน้าเรนจําอุดรมาแข่งจังหวัดอุดรธานี อุดร อ, อุดร น, นี่ก็ลงทา น, นีหรือเปล่าจังหวัดอุดรก็อะไรกันนะแล้วก็อะไรวัดอยู่นอกเขตปอนอครับอ๋อวัดอยู่ข้างนอกถ้าจะติดต่อให้ติด ต, ต, ต่อไปที่ร้านฉัตรนิมิตแล้วก็มันเป็นจดหมายของคุณชัยรัฐคุณชัยรัฐ ท, ที่ตระกุลกรุยแดงนะเขียนมาอย่างนั้น มีลีลาเหมือนถามเหมือนเหมือนกันคือตอบรวมกันคุณเชรัตไอยู่เก้าสิบสามทับหนึ่งสามตรอกวัดใหม่พระวีเลนถนนอิสระภาพแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุวงเทพที่วัดใหม่พระวีเลนอยู่แขวงวัดอรุณตรงนี้ยห้มันอยู่คนละฝั่งนียนะมันอยู่ก็ได้ยังไงมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของกรทมอนะ่ะ ไอ้ท่านหนึ่งก็เดี๋ยวก่อนนี่ก็ เ, เอาเปิดจดหมายก็แกลกแกล ก, กอาจจะฟังไม่ชัดบ้างปากห่างไมโครฟนของท่านพระวิจุบประจวบอะไรเนี่ยพระวิจุบประจวบแก่สีโลหิตอะไรพอพอคุณน้อยเอาน้ะ ก, กุนน้ะ ก, กุลพระวิจุบประจวบน้ำ ก, กุลแก่สีโลหิตแล้วก็มีฉายาอาัคคะธัมโมพิขคเนี่ย ไอ้เรื่องใช้ยาเป็นชื่อชื่อในขอประทานอับผายมันดังกงกั้งกงกังข อ, งของภายดูนะใช้ใช้ยาเป็นชื่อนี่ยาทรงมานาชีลงกระถนเลยนะไม่ได้เรื่องในเราแต่ว่านี่ท่านบอกใช้ยามโดยเฉพาะไม่เป็นชื่ออักนะท่านชื่อพระพิสุประจวบอย่างให้ดีบางบางองค์เขียนเฉพาะอักขะธรมโมพิโกเทวโรพิโุสุจิตโตพิโุอันนี้โยนลงกรถนไปเลยยติต่อได้ยังไง ท่า น, ท, านท่านประเจ้าท่านอยู่วัดดอมนมโนราอไอยวัดดอนมนนราในสมัยเคยอยู่ไปอยู่รงสาวาทเคยไปเทศนะเทศช่วยสร้างโรงเรียนถ้านบออยู่วัดดอนมนูราอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมาวัดนี้แม่เคยไปเทศที่นั่นสมัยโน้นนานแล้วปศสองพันสี่ร้อยปดสิบเจ็ดถึงแปดสิบแปดเอง วันนี้คำถามเมื่อขอจะเอาของท่านเดียวนะมาอ่านองค์พูดมาท่านพูดมาดีมากพี่โดยสามคนมีคติคล้ายคึงกันก็มาตอบรวมกันท่านพระวิสุกรีนี่ท่านถามมาบันฑิรามิตนะบัณโนสวัรค์ท่านเขียนมาว่าอย่างนี้วันที่23เมษายน2526กลาบเท้าหลวงพ่อที่เคารพจริง ผมได้อ่านได้ศึกษาทรรมที่หลวงพ่อบรรยายรู้สึกติดใจและได้ความรู้ความเข้าใจหายสงสัยมากแ้วผมฝึกปฏิบัติธรรมอยู่หลายปีตั้งแต่ยังเป็นครวญวัการปฏิบัติไม่ได้ก้าวหน้าไม่เป็นไปเท่าที่ควรจึงอยากจะกราบเมตตา ขอเมตตาจากหลวงพอ่อโปรดเอยอะไรเออย่พิจารณาแนะนำว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปแต่ผมเกรงว่าถ้าบวชอยู่ต่อไปจะยิ่งเปลืองเข้าสุขชาวบ้านเป็นหนี้เป็นศีลมากขึ้นไม่พระอย่างนี้มีเด้อ เ, เนี่ยพระแท้ๆนะถ้าท่านคิดอย่างนี้จริงแนะ้วผมขอเขาบูชาฉันเลยนะครับ ขอให้นักบวชทุกคนคิดอย่างเนี้ยชาวบ้านจะชื่นใจมากและจะร่วงเรืองมากต่อไปถ้าว่ากับผมได้เคยล่วงเกินท่านหลวงพ่อด้วยกายวาจาใจตอนหน้าหรือรับหลังจะได้อะไรจําได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านหลวงพ่อได้โปรดไม่ตาโหสิกรรมให้กับผมด้วยขอให้ท่านหลวงพ่อมีายุยืนนานเป็นรุ่มโพร่มใส และเป็นความร่มเย็นของโลกสืบไป น, น, นานๆกราบพร้าไม่ได้ความคารพบยิ่งพระวาสุครีสุดพระนาโคแม่ผมอยากจะฟังสำนวนแบบนี้มานานว่าต่อถ้าอยู่ไป น, น, นานๆแล้วมันจะขาดทุนมาดีจริงๆหาไม่ได้หาไม่ได้ขอรักษาจริยานี้ไวในคอรับยาไปทิ้งก่นนะ เจริานี้อารมณ์แบบนี้อารมณ์เป็นอารมณ์ที่ดีมากตอนนี้ท่านบอ ก, กว่าถ้าอยู่ไปนานๆท่านจะขาดทุนแต่ความจริงไอ้เรื่องนี้ต้องขออนญาตบรรดาญาติโยมแลวท่านบุกฟังเนี่ยเวลาเหลือ24นาทีนี่มันจะน้อยไปก็ได้ <c oughs> การเจริญเพรกรรมาฐานนี่ขอรับให้คุณเจ้าให้คุณเจ้าไรววาสุ ก, กี พระคุณเจ้าวาสุกรีครับหรือว่าอีกทั้งสองท่านที่อ่านชื่อเมื่อกี้นี้นะ่ะให้เข้าใจตามนี้นะครับการเจริญพระกรรมฐานเนี่ยเรามากโดยมากเราเข้าใจผิดกันต้องการผลจิตที่จิตใจมันคืบหน้าไปตามที่ต้องการบางคนก็ต้องการสติสมัชย์ญะดีบางกล่มบางคนก็ต้องการความสงบสงัดบางคนก็ต้องการความสุขใจ <c oughs> ถ้าเนื้อแท้จริงๆแล้วก็ให้ต้องการอารมณ์เป็นสุขถ้าทุกคนต้องการอารมณ์เป็นสุขนี่ถูกต้องว่าสมถ ภ, ภาวนาเป็นอุบายสงบใจนี่สงบจากนิวรถ้านิวรณห้าประการมันไม่โกนใจเราจิตเราก็จะสบายมีจิตสงบมันไม่มีความวุ่นวาย วิวันห้าบริการนีม่มีอะไรบ้างคืนหนึ่งไม่มีความรักในเพศตรงริงข้ามและไม่มีความต้องการในวัตถุที่สวยงามทุกเสียงเพราะและรสอร่อยเป็นต้นผมขอพูดชัดๆเนี่ยคือผู้หญิงอย่าไปรักผู้ชายผู้ชายอย่าไปรักผู้หญิงไอ้รักประเภทอยากได้เป็นผัวเป็นเมียเนี่ยผู้ภาษาไทยกันอย่าให้มันมีเกิดขึ้น ถ้าเราต้องการเอาดีในทางการเจริญะกรญาฐานเนี่ยนี่พูดเฉพาะท่านท่านวาสุกรีนะวาสุกรีท่านบอกว่าท่านจะเอาดีนะ่ะญาติโยนที่เอาดีไม่ถึงแล้วก็เอาเอาแค่เบาๆอนนี้นะ ว, ว่าเราจะเอาดีกันต้องพยายามกำจัดนิวรณ์เดียให้เข้ามายุ่งกับใจกันมันไว้นิวรณ์นี่กำจัดทีเดียวไม่หายหรอกต้องกันไว้สอง อย่าปล่อยอารมณ์ไม่ชอบใจมากวนใจเราเกินไปยึดถือธรรมดาให้มากว่าคนและสัตว์และวัตถุในโลกสภาพของมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้าจิตยอมรับธรรมดาเสร็จแล้วอารมณ์รักมันก็จะไม่เกิดอารมณ์โกรธมันก็จะไม่เกิดราการที่สามอย่าปล่อยให้ความง่วงเขา้าครอบงาจิตเกินไปไอ้ตัวง่วงนี่ต้องระวังนะครับ ระวังว่ามันง่วงหรือว่ามันเพลียอย่าฝืนไม่เกินไปเวลาพักผ่อนมีเท่าไหร่พักผ่อนตามเวลาอย่าฝืนเวลาปฏิบัติเอาคุณภาพของจิตยอย่าปริมาณของเวลาสาอย่าปล่อยให้อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปไอ้อารมณ์พุ่งสร้างนี่เราครบมันมาเป็นแสงแกับเป็นแสงแสงชาติแต่สงสงไขกลับมันต้องมีแน่ ต่เต้ามีวิธียืดหยุ่นกับมันอย่าฝืนเกินไปทนไม่ไหวก็เลิกพักซโชคราวอย่าฝืนฝืนแล้วจะเป็นบ้าเป็นโรคประสาทแล้วก็ห้าอย่าสงสัยในผลของการปฏิบัติเราต้องเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาควบคุมด้วย เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาอารมณ์มันเกิดขึ้นถึงมันไม่เหมือนอารมณ์เดิมนะอย่าไปสงสัยต้องใข่คนแค่ปัญญาพิจารณา <c oughs> นี่อย่างเบาๆนะครับตอนนี้ผมก็จะขอพูดตรงไปตรงมาตามเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการนั่นคือสรมถาภาวนานี่เราระงับดีวันห้าประการที่พูดมเมื่อกี้นี้ท่านก็ลงคิดทีว่าถ้าเราไม่รัก สมมติเอานะนี่ท่านเป็นพระถ้าพูก้กระท่านสุภาพสตรีผมจะถามหัก็จะบอกว่าท่านเป็นสุภาพสตรีเอาแต่ท่านเป็นผู้ชายเนี่ยถ้ามีสุภาพสตรีที่สวยขนาดไหนโดยขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามเขาผ่านไปผ่านมาถ้าอารมณ์ท่านไม่เกิดรักอยากจะได้เขามาเป็นพันญาเนี่ เขาจะไปเดินกับใครเขาจะไปอยู่กับใครไปจู๋จี๋ใครจะไปทำปูยี่ปูยันที่ไหนท่านเดือดร้อนไหมถ้าแปลว่าท่านเดือดร้อนด้วยแล้วก็ผมต้องขอบอกว่าท่านบานแล้วไม่ใช่คนดีคนที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องโดยไม่เคยสนใจเขาแย่ไปยังไงเราไม่เคยเดือดร้อนนี่มันถึงจะถูกเพไม่ได้ผมต้องเดือดร้อนสนใจในเขาก็ต้องบาสิไม่ใช่คนดี นี่ผมพูดก่ับคนดีนะไม่ใช่พูดกับคนบ้าตอนนี้มาอีกะไรหนึ่งแด้วัตถุต่างๆแระพบกคคลหรือสัตว์ก็ดีที่เราไม่เคยสนใจเลยถ้าเราถูกลงโทษแล้วถูนำไปเราจะเดือดร้อนไหมอย่างรัฐบาลสัางประหารชีวิตนักโทษที่เดือดที่ดูร้ายมากร้ากาศมากเราก็ไม่เคยสะเทือนใจ เพราะมัจฉาญาติเราถ้าเป็นญาติของเราหน่อยเขชักใจไม่สบายนี่เลยก็ต้องทําวางใจตามแบบกดคนธรรมดาเสียว่าญาติก่ออะไรมันทั้งหมดแม้แต่ร่างกายดังในความเดือดร้อนวุ่นวายมันก็ไม่มีจิตก็สงบ <c oughs> ต่อมาถ้าเราดูกําลังกายว่าคนจะใช้เวลามากเวลาน้อยวันเพียเราควรเด็กเราเร า, เราก็ควรจะพักผ่อนอันนี้มันก็ไม่แปลก จิต ใ, ใจก็สบายไม่ฝืนเกินไ ป, ปนการนี่สี่จิตไม่ฟุ้งซ่านลำคัญก็ดูกาลังใจเอาแค่สามนาทีนี้ฉันจะไม่ฟุง้งห้านาทีนี้ฉันจะไม่ฟุง้งธ้ามันจะฟุง้งท้จริงก็ต้องพักกันก่อนผ่อนสั้นผ่อนยาวแบบนี้จิตเราก็เป็นสุขแล้วก็ห้าเราไม่สงสัยในผลการปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติสมถภ า, าวนาในผลมันเยครับ ต้องไปดูในกรรมฐานสี่สิบคู่มือปฏิบัติกรรมฐานอาการต่างๆมันมีจริยามันมีอารมณ์มันมีผลมันมีต้องไปดูตาม น, นั้นจะสรงเดชถ้าสรงเดชแล้วมันไม่รู้ว่าไปทีงไหนโกระงความว่าถ้าจิตเรามีสมาธิเป็นฌานอารมณ์ก็เป็นสุขแล้วปฏิบัติให้จิตสงบจากกินเลตในสมถะภาวนา สำหรับด้วยปัชนาภาวนาปฏิบัติให้จิตมันมีปัญญาถ้าจิตมันสงบแล้วปัญญามันก็เกิดเอาตามนี้นะนี่ผมพูดตามแนวที่ควรจะเป็นไปไอเ น, นี้ยสามสิบนาทีเนี่ยมันไม่พอแต่ผมก็เลือกแค่สามสนาทีตอนนี้เราก็มาดูปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำถ้าว่าเราจะปฏิบัติกันเนีย่ยจะท่งเดชมันสีเวลาเปล่านะครับ อยูพระพทธเจ้าทรงแนะนำผมถือเป็นเรื่องสำคัญอยู่จุดหนึ่งเพราะเอานปเอาตายเลยนั่นคืออุทุมพริกาสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่หน้าที่เทไรผมจำไม่ได้แล้วไปเปิดดูหน้าต้นๆท่า น, นกล่าวโดยย่อว่าอย่างนี้คือว่านักปฏิบัติที่ดีที่สั่นสอนต้องทำตามนี้แล้วก็บรรลุมรคนหนึ่งละอุปกิเลศ จิตไม่สนใจเขาปกิเลศเนหกสิบอย่างกว่าเอากันอย่างง่ายๆว่าเราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอืน่นใครเขาจะดีใครเขาจะเลวก็ช่างเขาเราสนใจเฉพาะจริยาและอารมณ์ของเราคนเดียวว่าเวลานี้มันดีแลวมันเลวถ้าเราสนใจจริยาเขาบุคคลอื่นมากเราก็เลวมาก เราสนใจในใจริย์เขาบุคคลอื่นน้อยเราก็เร็วน้อยถ้าแค่สนใจมันเร็วในใจออกมาทางปากเร็วไหล ล, ล้นมาถึงปากาออกมาทางเสียงแล้วเร็วมันล้นคนนั้นดีบ้างคนนี้เร็วบ้างคนนั้นยำแบบนั้นแบบนี้บ้างแต่ความจริงๆแล้วเราเนี่ยคือเป็นคนเร็วถ้าเราไม่เร็วล้วไม่เห็นใครเขาเร็วหรอก ว่าพอดูพระพุทธเจ้าทำไม่เคยตําหนิไทยคนที่ยังตําหนิคนได้คนนั้นเป็นคนเร็วถ้ายังนินทาชาวบ้านได้ตําหนิชาวบ้านได้นินทามากเร็วมากนินทาน้อยเร็วน้อยแต่มันก็เร็วล่นทั้งคู่นะเดินนินทามากล่นมากเร็วล่นมากนินทาน้อยเร็วล่นน้อยแค่จิตเข้าไปเล็กถึงเขาจะมีจริยาของเขาไปยุ่งกับเขาจิตมันเร็วแล้ว แต่มันยังอยู่ในใจคือยังเร็วลึกเร็วยังไม่ล้นถ้าถึงกายถึงว่าใแล้วมันล้นเศราวันเร็วมากนี่การเจอมันกรรมฐานอันดับแรกต้องวางความเร็วตัวนี้ทิ้งเสีใครเขาจะดีใครเขาจะช่วยจังเขาย้ายความเร็วมันไหลมาทั้งปากห้ยความเร็วมันไหลมันทิ้งกายไอ้ที่วัดผมนี่ท่านเบยนว่ามาคนมันดีทุกทุกคนน่ะ ทั้งพาทั้งเคลาวาสไอที่มันยังเร็วๆก็มีเหมือนกันเมื่ผมพูดตรงไปตรงมาแต่ผมเองผมสังเกต ด, ดูแลบางคนหลายปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนนิสัยเร็วดักดันอย่างนี้ก็มีเยอะแล้วก็ไอที่ยังปากไปแสหาบาดาของชาว บ, บ้านก็ยังพอมี มันจะไปกันหมดแล้วยังไม่ทรบาบสถานที่มัน ย, ยังเราพูดยังไปไม่หมดนี่เราเล่ แ, ลแบบนี้มันมีไม่ว่าที่ไหนในสมัยพระเจ้าในสนักคำพระองค์ก็มีอย่างพระเทวทัพยอยู่ในสนักของพระเจ้านะครับก็มีรงวงความอันดับแรกเราละอุปกิเลสโดยยกยอดเฉยๆว่าเราจะไม่ยุ่งกับใครทั้งหมด ไม่สนใจจริยาของใครหมดคนดีเรายกย่องสรงเสริญคนชั่วเฉยถือว่าเรื่องธรรมดาตามกฎของกรรมถ้าทำใจได้อย่างนี้ท่านถือว่าเข้าถึงสกเก็ตความดีของพระคำสอนที่พระองค์ทรงสอนเห็นไหมนี่จะหัวล้นนุ่มเหลืองอะไรก็าตามแหละที่เป่าเป่าเป่าเป่ า, เ ป, า, เ, ปาเป่าไป นินทาชาว บ, บ้านป่ากเสีเยในขั้นต่ำเสียสีคนนั้เสียสีคน น, คนี้อย่าไปถือเพศอย่าไปถือสีเลยครับที่พระเจ้าพูดมานนี่ดีมากผมรักมากที่ผมพูดกับท่านอย่างนี้เห็นว่าท่านดีนะถ้าที่พูดนี้จะพูดพูดมาเมื่อกี้นี้พูดในความจริงใจผมจะรักมากจริงๆนี่ก็เป็นว่าอันดับแรกสเก็คือความดีที่พระเจ้าสอนเข้าให้ถึงให้ได้นะ ปล่อยเขาเรื่องของเขาแต่คนที่อยู่ในปกครองเราต้องเตือนเราต้องดุต้องดา่าเราต้องว่าเราต้องลงโทษดูพระพุทธเจ้าท่านแต่ถ้าไม่ได้โกรธทัาหวังดีอันนี้ไม่เป็นไรคนนอกการปกครองเราอย่าสนใจแม้แต่คนในปกครองกัไม่กันถ้ามันเลวซะจริงๆก็ปล่อยมันไปเลยให้มันไปข้างนอกเลยไล่มันไปตั้ย่ า, าไว้ ไล่ไปเลยใครยินท่าว่าไรก็ช่างเราไม่คบคนพ่านอาเสิวันนาจะพานลนางังปันติตานณยศิวันนาปูชาจะปูชนียา น, นางังเอตมังคร ม, มุตมังพระพเจ้าคงแนะนําว่วาหนึ่งเราไม่คบคนพ่านคือคนชั่วสองเราจะคบแต่มนตร์ดคือคนดีสามเราจะบูชาว่าคนนี้คนบูชาคือคนดีที่เราบูชาคนบูชาเอาอย่างนี้นะ่ะ ถ้าเราเลวอยู่ในปกครองไล่ไปเลยอย่าไว้เขาบอกไม่ขาดเมตตาบอกไม่ต้องไปเมตตาคนเลวแต่เคยเมตตาเมื่อคนเลวไม่ฆ่าแล้วก็เลวไปด้วยมันเดือดร้อนนี่ถ้าทําได้อย่างนี้จิตจะเริ่มสบายใจไปอันดับแรกจิตจะเริ่มเป็นสุขอย่างละกิเลสไม่ได้นะครับอันดับที่สอง ต้องวางใจอย่าให้มีกังวลอะไรทั้งหมดเวลาที่เราจะเรียสมาธิถ้ า, ายังไม่เป็นอราหันต์น้มันเป็นได้กังวลมันต้องมีแต่ว่าอย่าให้มันมีมันรุ่มร่างแลอวเวลาที่ทำสมาธิวิปัสสนาญาณวางทิ้งมันซะก่อนโชคราวเวลานั้นต้องไม่มีกังวลอนะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราให้มันจริงๆนะครับต้องให้จริงนะ และก็บรการที่สามเรื่องของศีล ต, ต้องเป็นศีลบวกกรรมบทสิบถ้าศีลเฉยๆและไปไม่รอดคิดว่าเรื่องศีลกรรมบทสิบนั่นเองเราจะไม่ละเมิดตัวตนเองสองจะไม่แนะนำให้ใครละเมิดสามจะไม่ดินแม่ยินดีใ่้เขาละเมิดแล้วศีลบว ก, กรรมบวชสิบก็คืนหนึ่ง เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายร่างกายสัตว์เล็กคนทนี่ทางกายต้องอดให้ไน้แน่นอนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ถือว่ามีค่าเสมอกันคนก็เหมือนกันสองใจไม่ละเมิดในกามาลมนี่สำหรับฆราวาสพระต้องไม่จิกเข้าไปยุ่งในความรักระหว่างเพศทำให้ดีนะครับ และบริการที่สามขอโทษข้อดีสองคือว่าจะมายึดถือทรัพย์สมบัติของบุคคลใดมาเป็นทรัพย์สมบัติของตนถ้าเขายังไม่บอกให้เพียงใดอย่าถือเอาแม้แต่ของเพื่อนถ้าเพื่อนยังไม่อนุญาตอย่าหยิบเอาแม้ได้แก้วน้ําขันน้ำเงาก็ตามแล้วของเขาอย่าอย่าไปยุ่งถ้าไม่ใช่ของเราถ้ารับอนุญาตจะของอติาแล้วใช้ได้ อย่ายุ่งเด็กขาดและก็อย่าหวังความร่ำรวยอย่าหวังสะสมทรัพย์ในขณะที่เป็นพระนี่ผลพระนะ <c oughs> แล้วก็ละไวา้กับคนทําเหมือกนกันกนั่จะเร่งกรรมฐานสามข่าวว่ไม่สนใจในในคนของบุคคลอื่นที่เรายังไม่จะแต่งงานด้วยพระจะต้องไม่มีจิตเข้าไปสนใจเรื่องกรมารมณ์พระนน่นะ จำไม่ดีเลยดูให้ดีแต่คนในโลกในใครมันสวยแสะอาดจริงไม่เมียแล้วก็สามคดว่าก็ดีอล้วสี่คว่าก็ดีพระก็ ด, าากดีจะไม่ดื่มโซราและไม่ไรได้วยขาดเว้นไว้แต่ดังก็สายยาก็สายยาก็ต้องเป็นกระสายน้อยๆ น, นะไม่ใช่มากนี่ทางกายสําหรับทางวาจาขึ้นหนึ่งจะไม่พูดวาจาที่ไม่จริง จะพูดเฉพาะวาจาวาจาที่จริง 2. งจะไม่ใช่วาจาหยาบคายเป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้ฟังสามจะไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุยงและนินทาชาวบ้าน้เขาแตกว้าวกันสี่จะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดจำให้ดีนะครับ ทั้งด้านจิตใจหนึ่งจิตไม่คิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยมีจารคานุสติกรบมันถังไข่เป็นฌานสมาบัติสองจิตไม่คิดปรทุสร้ายไขย่โดยมีพอ ม, มิหามสีประจําใจหรือมีกระสินสีคือสิที่แดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฌานสมาบัติ สามจะไม่เห็นผิดคิดว่าขึ้นที่วิตกายเกิดมันเป็นทุกร่างกายไปอันนี้จังไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกขางเป็นทุกร่างกายเป็นตาคนาตามันสลายตัวร่างกายของคนแลสัตว์เป็นเป็นของสุกปรกทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักสุดทรงดับพังในวันหน้าเห็นไหมเรื่องความด้านศีลบุกรรมบทศิษย์นี้ มันต้องครบถ้วนมันเติมเข้ามาจริงๆแค่แค่สุราเท่านั้นเอาให้แน่นนอนถ้าเป็นพระแล้วก็จะต้องทรงสินสิขาบทสองรอยี่สิบเจ็ดสิขาบทถ้าพระมีความจริงต้องเมียที่สินและสิขาที่จิตสิขาที่ปัญญาสิขาอารมณ์ใจที่พระคุณเจ้าบอกมาเนี่ยถูกต้องผมชอบมากคิดอย่างนั้นดีแน่ แล้วต่อไปก็พยายามระงับนิวรณ์ห้าให้เกิดขึ้นกับใจจะพราะเวลาระงับมันทั้งวันนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องสู้กับมันสู้ไปสู้มาแล้วก็แพ้มั่งมันแพ้มั่งผักจะนแพ้ผักจนชะไม่ใช่ไม่ใช้เราจิตชนะขนาดใดที่นิวรณ์ห้าประการระงับขนาดนั้นจิตเป็นฌานสมาบัตินิวรณ์ระงับอะไรเวลานั้นเป็นปฐมฌานทันที ถ้าฉันออกจากนี้ผมจะยังไ้พูดเวลารืองห้าทีมันไม่ไหวแล้วต่อไปก็มีพรมิหารสี่ประจําใจเป็นปกติหนึ่งอารมณ์รักอยู่เส ม, มอไม่ตาปราณีไม่ว่าคนหรือสัตว์ใครก็ได้ใครมาจากไหนเป็นคนอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่างกัเราหมดสงกรณนาเราจะสงสารเกือกูลค้ายมีความสุขตั้งกำลังที่เราจะพึงทําได้ สี่จะมีสารจะมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาเสียใครเข้าได้ดีพอยินดีด้วยนั้นน้อมมาความดีเข้ามาปฏิบัติเอาเบกขามีความวางเฉยใครก็เพื่องพระไ ม, ม่ซ้ำเติมทั้งหมดนี่ถ้าปฏิบัติมันได้อย่างนี้ทั้งหมดพระพุทธเจา้าถือว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสังส่งสอนดูในอุทุมบริกาสุตะเตาวิดด แค่ได้ส่งอารมณ์ได้อย่างนี้เนี่ยครับผมหรือใครเราตามถือว่าเป็นผู้ทรงฌานตลอดเวลาจิตของแม่คุณเจ้าจะสงบจิตของใครก็เหมือนกันนักที่จะเรียกรรมาฐานได้าทำได้อย่างนี้จิตจะสงบตลอดเวลากรรมาฐานนั้นเขาต้องการจิตเป็นสุขอย่าไปเอาอย่างอื่นจะไปนั่งนานนอนนานภาวนา น, นา น, น, า น, น, านไม่ถูกไม่ต้องผลที่เราต้องการครืออารมณ์ใจเป็นสุข แต่ตอนนี้มันยังสุกไม่จริงเรายังสงสัยอยู่สงสัยเอสวรรค์มันมีจริงหรือเปลา่านาะลกมันมีจริงหรือเปลา่าอย่างคนที่เก่งยึดหมายมีใจนนะคาคอสิสมาแกรู้สึกว่าน่าดูน่าดูอยู่เหมือนกันเอาไมา่เอาไหนเลยโดดเด้โดดเด้คือว่าแกไม่ลงตัวไม่ลงตัวนี่จิตใจลบากต่อไปก็ทําปุบเพนีวาสานุติยานให้เกิดขึ้นทะลึกชาติได้ อันนี้มันขอไม่อยากเด็กๆและเล็กเขาทาได้เยอะยแล้วแต่ว่าพวกนุ่งเหลืองห่มโลนเนี่ยฮะนงเหลืองห่มโลนนะหัวลนห่มเหลืองนุ่งเหลือง น, ะ น, งองนี่ยังที่เป๋ๆไปๆไปยังมีมากอันนี้มันในนิทาพูดกันโกงเลยเราเหลืองเหมือนกันผมก่อนเลวมาก่อนเดีวนี้ก็ยังไม่ดีเพรวมความเมต ามันไม่อยากต้องทําให้เกิดขึ้นถ้าทําปุบเพนิวาสาน ญ, ญาให้เกิดขึ้นแล้วจะบอกเข้าถึงกับเพื่ความดีที่พระองค์สอนต้องทําให้ได้นะครับ ถ, ถ, ถ้าทำถ้าทําได้แค่นี้จิตจะมีสุขมากขึ้นต่อไปทําทิพุญานุจูตูปปาติญาให้เกิดขึ้นรูน้คนและสัตว์ก่อนเกิดมาจากไหน รู้ว่าเขาตายไปเขาไปไหนแล้วก็สามารถรู้ว่าเราตายจากแคินี้เราจะไปไหนถ้าบุญบารมีแค่นี้เท่านี้ครับจิตจะมีความสุขมากพุทธเจ้าบอกถึงแก่นทาได้ยานี้ถึงแก่นขึ้ความดีแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระจินศรีก็ทรงแนะนำํำว่าหลังจากนั้นปฏิบัติในอริยสัจคือวิปัสนาญาณถ้ามีบารมีแก่กล้าจะไปรันภายในเจ็ดวัน มีบารมีอย่างกลางบารมีนี่คือกำลังใจนะครับจะบริหารภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบารมีอย่างอ่อนกำลังใจต่ำขี้เกียจหน่อยใช้บัญญาณ น, น, น้อยไปนหน่อยจะบริหัภายในเจ็ดปีถ้าทำได้อย่างนี้จะมีความสุขที่สุดฉะนั้นผลของการปฏิบัติที่เรญกุเจ่าบอกยังไม่คืบหน้านะคือเข้าใจผิดไปหลงเอาเวลาที่จะเริญสมาธิแต่มันไม่ถูกต้อง การเจริญสมาธิถ้าเป็นฌานโลกีหรือฌานโลกุประก็ตามมันขึ้นกับร่างกายร่างกายดีมันก็ดีด้วยร่างกายไม่ดีมันก็ไม่ดีด้วยเขาเอาตัวจิตเป็นสุขอารมณ์ทรงตัวเท่า น, นั้นนะครับจำไม่้ด้นะครับเอาเราทั้งสามท่านได้กล่าวชื่อมาเนี้มีจริยาเสมอกันคือมีความต้องการเสมอกันก็ขอแนะนําไว้แต่เพียงเท่านี้มันก็สามสิบนาทีหรือครึ่ง น, นาทีเท่านั้น ก็ต้องขอลากันก่อนและเวลาสถานีเขายัหมดขบรนดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมเสด็จคือพระพุทธเจ้าจงมีได้ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลในดจงจเจริญไปด้วยเจตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณ้สุขะภะละและปฏิพันธ์หากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สนันัต์สงความปัทธนะชทุกประกาลสวัสดี